ประโยชน์เรื่องของยศก็ผลประโยชน์เรื่องของสรรเสริญสุกคือเรื่องของผลประโยชน์เดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกตกอยู่ใน อ, อำนาจของกิเลสตัณหาคือผลประโยชน์พระในประเทศไทยคิดว่าคงจะไม่ทั้งหมดในพระรูปหนึ่งประกาศว่า ไอ้พระตัวโลกลุกขึ้นโวยเราก็โวยกันไปเตี๋ยหลวงพ่อไม่ยุ่งด้วยหรอกเราไม่เป็นกวอยใดกวายหนึ่งเอาอย่างนี้เนี่ยเพระขาดธรรมะพระก็ขาดธรรมะโยมก็ขาดธรรมะมันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดมีได้ความวุ่นวายนี่เตี๋ไหน กาต ร, รมะที่นั้นมีความวุ่นวายเพราะมีแต่เรื่องราบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องความสุขทีนี้ถ้าผู้ที่ไม่ต้องการไม่ต้องการลาบไม่ต้องการยศไม่ต้องการสรรเสริญไม่ต้องการความสุข <c oughs> เขาก็อยู่ได้สบายอยู่สบายอยู่กับใครก็อยู่กับธรรมะอยู่กับพระธรรม ทีนี้ถ้าเราลวงเข้าไปลึกๆนี่มีตัวอยากอยากอยากตัวอยากตัวเดียวอยากเพื่อใครอยากเพื่อตัวกูเพื่อของกูนี่มันอย่างนั้นทางนั้นเ็อย่างนั้นทางนั้นเลยทีนี้ในเรื่องของการมาสร้างวัดทีนี้หลองพ่อก็ม่ความตั้งใจ แต่ก็ไม่เจอที่ที่เหมาะสมในความตั้งใจอย่างนี้คือมีความความตั้งใจว่าจะปฏิบัติรมอย่างเดียวไม่ตั้งใจอย่างอื่นทีนี้ก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของเราทุกคนของญาติของโยงของพระสงองค์เก้าพระพุทธเจ้าที่พระองค์จ ะ, จะรู้ด้วยธรรมะสี่ข้อ ฉันทะความพอใจวิริยะความภาคเพียรจิตตาจิตขวบ่อยในสิ่งที่พระองค์ต้องการธรรมนั้นวิมังสาใกล้ครวนทีนี่เรามาดูอย่าว่าจะชวนรวมเลยแม้แต่ช ว, วนบุคคลนึ่ต้องใช้ธรรมะสี่ข้อนี้ฉันทะความพอใจพอใจพอใจพอใจ พอใจอย่างเดียวไม่สําเร็จประโยชน์ความพอใจเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องพอใจเรามาบวชชีที่นี้ต้องพอใจถ้าไม่พอใจเราไม่บวชเรามีความพอใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าพอใจในธรรมะทีนี้เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหลวงพ่อบอกว่า ให้โยมจีไปช่วยต ảng ป่าเราจะทําทางลงมาทางนี้ไปกวาดขยะ ก, กวาดลูกหินออกเราก็ต้องมีความพอใจแต่ถ้าหากว่าเราไปคิดว่าเออนี่เราเรียนมาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมากวาดลูกหินอย่างนี้ถ้ากวาดลูกหินอย่างนี้ไม่ต้องเรียนก็ได้ก็เห็นคนที่ ก, กวาดถนน ก็ก็กว่าได้ก็ไม่ต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทนั้นเราไม่พอใจแล้วอย่างนั้นดันั้นงานอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีจุดมุ่งหมายคือเอาธรรมสี่ข้อนี้ไปใช้ฉันทะคือความพอใจความพอใจในสิ่งที่เราทําสร้างความพอใจขึ้นมาก่อนเราสร้างความพอใจขึ้นมาก่อนแล้วก็ระบาย ทำไปด้วยความพอใจคนทำนาก็พอใจไม่ใจไปถึงก็ได้ข้าวมาเลยคนทำนาก็จะต้องไถานาไถาสองครั้งสามครั้งเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันจเจริญคอนเลยยากจนจนอะไรจนปัญญาคนจนปัญญา ต้องจ้างเขาถต้องจ้างเขาหวานต้องจ้างเขาเกี่ยวเขาเก็บนต้องจ้างเขาสีจ้างก้างจ้าง้างจ้างจ้างหมดก็เลยเป็นท่าทายทุนเห็นไหมมันไม่พอใจแต่ก่อนเมื่อก่อนก็ถอยนามีไม้เรียวอันหนึ่งสำหรับโกหัวเวลามันดื้่นีก็ถนาด้วยความพอใจลงตั้งแต่เช้ามืด พอก่อนเที่ยงนิดหน่อยก็ก็เลิกเขาพอใจเขาไถนาด้วยความพอใจเขาก็ผิวปากไปปรางเขาก็ร้องเพลงไปปรางเขาก็แจงแจงแจงแจงแจงถ้าปักไ้เนี่ยก็แจงแจงแจงแจงแจงแจวัวก็ก็ฟังถูกเพราะให้มันออกมาเอ๋ไถมันออกมาใหญ่ข้าวไป ถ้าข้าวข้าวเขก็บอกว่าข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวหัวก็คว้งถูกนี่แห็นไหมก็ทําด้วยความพอใจพอครั้งที่สามครั้งที่สามนี่เขาหวานหวานแล้วก็ถยกลบอีกครั้งหนึ่งก็ไถด้วยความพอใจทํางานด้วยความพอใจนี่ก็ทํานาด้วยความพอใจพอหวานเสร็จแล้ว เขาก็ดูฝนตกหรือไม่ตกก็ทำตามธรรมชาติดางนั้นถ้าฝนตกก็ดีไปถ้าฝนไม่ตกแรงนานข้าวปลูกที่หว่านลงไปก็จะเสียนี่คนเดี๋ยวนี้ทำอะไรทำด้วยความโลภความโลภความโลภไม่ใช่ทำด้วยความปอใจของสติปัญญาทาด้วยความปอใจของกิเลสตัณหาทางนั้นเลยเดี๋ยวนี้เห็นไหมนี่ ก็เลยเป็นธาตุกิเลสตัณหาเพราะเป็นธาตุกิเลสตัณหามันก็จบมันจะมีแต่ความทุกข์เพราะไม่ได้ทำด้วยความพอใจให้พระพุทธเจ้าของเราเรองมีความพอใจในการที่จะแสวงหาสัจธรรมคือความจริงอริยสัจสี่พอใจที่จะแสวงหาอย่างไงก็ได้จากพระราชามหากริย์ มันเป็นมาเป็นคนธรรมดาแล้วก็พอใจทุกอย่างที่พระองค์ธทำพยายามที่แสวงหาไปอาธบงจีวรไม่มีเพราะว่าพอตัดพระเมรีเสร็จแล้วมีเชื้อผ้าซับหน่อยเชื้อผ้าซับหน่อยก็ประดับประดาด้วยเพชรนินจินดาเพอ๋อมันไม่เหมอนฉม พระองว่ามันเป็นของมีค่ามากมายเหลือเกินก็เห็นหนายพรานคนหนึ่งอยู่บนต้นไม้มีชุดสีเหลืองเหลืองเหลืองคร่ำคร่เพราะเพราะว่าก็จะพรางตัวไม่ห้สัตว์มันรู้พระองค์ก็เลยว่าโอ้นี่เราก็เปลี่ยนได้ไหมนายพรานบอกว่าเขาเปลี่ยนยังไง เราเรตัวเราอตัดว่าเตอเอาชุดนี้ไปที่ชุด น, นี้นี่ที่เปล yeah okay. ่าแปล่าเปาเห็นไหมเพชรนินจินดาทางนั้นเนี่คือเอาไปขายกินตั้งชาติก็กินไม่หมดอนายปราณคนนั้นก็ชอบที่นี่นี่พระองค์ก็เห็นไหมจากเพชรนินจินดาที่ประดับประดาร่างกายของพระองค์เชื่อป้า แม้แต่ทรัพย์ในนี่เขาเลยได้เสื้อผ้าของนายพรานคนนั้นมาแต่แล้วก็เป็นอยู่อย่างต่ําที่สุดเป็นอยู่อย่างต่ํากระทําอย่างสูงจิตใจสูงแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้เป็นอยู่อย่างสูงอยู่ดีกินดีดีหมดจิตใจต่ำ มีลาบมียศมีสนเสิญมีความสุขสุขในทางเนื้อทางหนังอย่างเดียวนี่นี่พระองค์มีความพอใจในความเป็นอย่างนั้นไม่เป็นเป้าสายตาแก่คนอื่นพระองค์ก็พอใจพอใจก็ไปหาอุตกาดาบท ก, ก็ทํายังไงก็ได้แต่ว่าพระองค์อยากแกร่รู้เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละจนจดความสามารถ ก็ไปหาอาราดาดาบทก็ได้ฌานแปดมาได้ฌานสี่ตอนแรกอุตกาดาบทได้อีกสี่อาราดาดาบทเป็นแปดแปดแล้วก็ไม่เป็นที่พอใจของพระองค์เพราะมันดับทุกข์ไม่ได้นี่ดับทุกข์ไม่ได้อะนนั้นเราศึกษาเราเรียนนี่มันเป็นเรื่องของอาชีพ เรื่องของอาชีพป้องกันความหิวความกระหายป้องกันอาถรรพ์ดที่อยู่ที่อาศัยเจ็บกายได้ป่วยก็จะได้เอาเงินทองนี้ไปรักษาแต่ว่ามันดับทุกทางใจไม่ได้ดับทุกขทางใจไม่ได้อันะั้นมันเรื่องของทางร่างกายหมดไอ้ที่เราหาเราใช้เราหาเราใช้กันมานี่เรื่องของทางร่างกายทางนั้น ความหิวเป็นทุกข์เราก็ป้อนมันเข้าไปอ๋ปอพอจนเขอิ่มอิ่มก็หายหายก็ป้อนอีกป้อนเข้าไปอีกเอาไปก็หายมันอยู่อย่างนั้นแต่ว่า้ความทุกข์ที่มันอยู่ข้างในมันไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่เอาสิ่งนี้ไปเยียวยาต้องเอาธรรมะเอาธรรมะคือธรรมชาติที่เราปฏิบัตินี เพระพระองค์ต้องการหาธรรมะที่เป็นอมตะธรรมะที่ไม่ตายไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสิ่งที่พระองค์ต้องการนนี่พระองค์ก็เลยมีต้องพอใจพอใจทุกอย่างพอใจที่เรียนรู้ทุกอย่างคือฉันทะแล้วไม่พอวิริยะเพิ่มเข้ามาอีก ความพอใจอย่างเดียวแต่เราปลูกฝังความพอใจในสิ่งที่เรากระทำถ้าเราทำด้วยความพอใจเราไม่ตกนรกแต่ถ้าเราทำด้วยความไม่พอใจมันอึดอัดมันก็ตกนรกม่ใจะตกนรกใต้ดินจิตนั่นแหละมันตกนรกเพราะมันอึดอัดมันทำด้วยความไม่พอใจเราปลูกต้นไม้จากต้นหนึ่ง เราต้องการไว้ต้นไม้ต้นนี้มันออกดอกแล้วดอกมันหอมอใครเดินมาข้างๆทางที่ตรงนี้ก็จะได้หอมหวนชวนดมกันไปอไม่ได้เป็นกองกูไม่ใช่เป็นตัวกูอะไรอย่างนี้พอใจเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเราก็พอใจว่ามันออกดอกแล้วจะได้หอมกันไปทั่วทั่วนี่ ฉันทะแล้วก็ดูแลรักษาต้นไม้ต้นนั้นวิทยะมันเหี่ยวแห้งไม่รอให้มันเหี่ยวแห้งเราก็รดน้ำให้มันเมฆฝนไม่ตกมันเป็นยังไงขาดปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้มันดูแลรักษามันอะไรมันวิทยะวิริยะฉันทะ วิริยะจิตตาเอาใจใส่ต้องเอาใจใส่ไม่เอาใจใส่ไม่ได้อะไรทุกอย่างที่เราทำเราต้องเอาใจใส่แม่ระยะสั้นระยะยาวเราก็ต้องเอาใจใส่วิริยะฉันทะวิริยะจิตตาเนี่ยจิตตาเอาใจใส่ต้องใส่จิตลงไปด้วย ในสิ่งที่เราทำ น, นต้องใส่จิตลงไปด้วยวิมังษาวิมังษาแปลว่าวางเฉยไม่ใจเฉยเมยในระยะที่อ้าววันนี้ฝนตกไม่เป็นไรวันนี้แดดร้อนเกินไปอะไรคือวิมังษานี่แปลว่าบางช่วงเราก็ปล่อยวางมันบางช่วงเราก็ต้องดูแลมันแล้วใกลครวนวิมังษาแปลว่าใกลครวน ในการงานทุกอย่างมันมีปัญหาอะไรเกิดมาเราต้องกลายครวญ น, นั้นพระพุทธเจ้าถ้าทำหมวดไหนที่พระพุทธเจ้าจะตรู้ก็คืนนี้แหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะตรู้นี่ยต้องมีฉันตะวิริยะจิตตาวิมังษาพระองค์จะต้องเจริญธรรมสี่ข้อนี้ฉะนั้นเราต้องเดินตามพระพุทธเจ้า หลพ่อเองวางเข็มเอาไว้ว่าเมื่อไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เราแน่ใจแล้วเราปฏิบัติแค่ไหนเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองพอเราเริ่มที่จะเดินได้ตุกติกตุกติกเราก็พยายามที่จะเดินพยายามที่จะเดินทีนี้ความตั้งใจนั้นนั่นคือฉันทะตั้งใจ กริยะความพิกษาเปลี่ยนจิตตานั่นใจที่เราตั้งเอาไว้ก่อนว่าเราจะต้องทอําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจิตต์วิมังษาไม่ใจะยึดติดอยู่ตลอดเวลามีปัญหาอะไรที่ตรงไหนเราก็เอามาวิจัยคนสมัยนี้เขาเรียกว่าวิจัยวิมังษาเอามาใกล้ครวนใกล้ครวน ทีนี่หลวงพ่อก็ทำแบบนั้นเดินตามรอยพระพุทธเจ้าปฏิบัติที่สวนโมกตั้งศึกษาด้วยตั้งปฏิบัติด้วยเราจะเดินไปทางติดไหนไปหาสถานที่ตรงไหนอะไรยังไงนี่แหละก็ต้องเที่ยวแสวงหาอยู่แต่ส่วนอาจารย์ไม่ต้องแสวงหาแล้ว เพราะว่าในตำราที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสผู้ให้ความตรอนได้ควังให้เราเรียนรู้ได้มาเต็มพุงแล้วแค่มีแต่เราต้องปฏิบัติแค่นั้นเองทีนี้ก็ต้องตามหาตามหาใครก็ตามหาตัวเองนั่นแหละตามหาตัวเองให้พบให้ตามหาสถานที่ที่เราจะไปไปตั้งไปอะไรให้มันพบ นี่ก็อธิษฐานจิตอยู่อย่างนั้นเนี่ยโดยอำนาจของการอธิษฐานจิตไปปรางปฏิบัติไปปรา ง, ปปรางอะไรไปปรางก็ทำไปอย่างนั้นทำไปทำไปทำไปทาไปไม่กลับหลังทำไปไม่กลับหลังจนกว่าจะพบสถานที่จะพบหรือไม่พบเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆจะพบหรือไม่พบนี่เน่อยไหนั้นในการทาี่มาพบวัดนี้พบวัดนี้มาพบสถานที่นี้ก็ด้วยอำนาจของแรงอธิษฐานแรงอธิษฐานฉันั้นกลับหลังไม่ได้จะต้องกลับหลังไม่ได้นี่นนนนด้วยแรงอธิษฐาน ที่มันเห็นเป็นจริงไปหมดเห็นเป็นจริงไปหมดตรงนั้นตรงนี้ตรงโนโ้นบนสถานพื้นที่แห่งนี้อะไรก็เป็นจริงไปหมดเมื่อมาพบเมื่อมันเป็นจริงไปหมดก็เลยใกรกรวนดูว่านี่มันอะไรด้วยอานาจอะไรด้วยอานาจอะไรที่เห็นแต่ความเป็นจริงไปหมดถ้าพูดให้มันตรงจุด อย่างนั้นก็เรียกว่ายานยานไม่ใช่ฌานยานฌานนะคือตัวเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพงเพ่งไปอธิษฐานจิตไปแล้วก็เราก็เพ่งเพ่งเพ่งเพ้ครวนไปทีนี้มันก็เกิดยานคือตัวรู้นั่นแหละตัวรู้จิตตัวรู้นั่นแหละมันไปข้างหน้ามันไปตรงไหนก็ได้มันนําทางเราไป ก็เรีก <mister> ว <ius> wow. okay, ah ิญญาณญาณญานางอุตปาทิญานางอุตปาทิตอนแรกก็จักกุงอุตปาทิจักสู่เกิดขึ้นแล้วแก่เรายานางอุตปาทิญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาเนี่นแหละคือตัวนํานําหน้าไปก่อนมันจะไปก่อนไปก่อนที่เราไอ้ร่างกายนี่ยมันช้าเราก็ต้องตามหาตามหาตามหา ตามหาสถานที่ที่ยาณมันไปเห็นไปรู้ฮะก็เดี๋ยวตามหามันตามหามันตามหามันมม น, นี่ต้องตามหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันก็น้าทึ่ง้าพูดถึงว่าทึ่งมันก็หน้าทึ่งก็ดูที่ว่าร้อยสองพันห้าร้อสิบแปดมาเจอพอมาเจอมันรู้ที่ว่าขนพองทะยองเกล้า มาถึงแค่ข้างหน้าเองโอ้ตรงนี้แน่แล้วแน่แล้วแน่แล้วก็ขึ้นมาสํารวจสารวจสารวจแล้วก็เป็นไปตามที่ยานนั้นเน่ะยานคือตัวรู้ตัวนั้นเนี่ยที่มันเห็นเนี่ยที่มันรู้มันเห็นมาก็เลยทําตามเหมือนกับว่าเราเขียนแปลนาวานะเขียนแปลนาวายอ้าวพะมาโยโยโยโ ย, โยูโย่ทำนั้นทนํานี้ทำโน้น ลูกศิษย์บางคนคือตอนแรกน่ะมาอยู่จําปัญหาเพียงสององค์แล้วต่อมาลูกศิษย์ที่มาบวชบวชเขาก็ศึกไปไปทํางานที่กรุงเทพเอากลับมามาถึงเห็นหลงพ่อเดินจงกรมอยู่นั่งธรรมะทิอยู่เขาร้องไงเลยถ้าเจอร้องไงทำไมว่าสงสารหลวงพ่อสงสา ร, รฉันทำไมนี่ไม่ต้องมาสงสา ร, รฉันหรอก นี่คือหน้าที่ที่ฉันจะต้องทํานี่เสร็จแล้วเป็นอย่างไงหลวงพ่อก็มีแต่นั่งเดินนั่งเดินปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ที่มันมีอยู่บ้างจะก็พัฒนากันไปเรื่อยๆพัฒนาคนก็พัฒนากันไปพัฒนาตัวเองก็พัฒนาไปเรงเรียนสตรี โรงเรียนประจําจังหวัดเขาก็ข้าวมาโรงเรียนไหนๆก็ข้ามาเราก็ต้องอบรมอบรมอบรมถ้าจะรู้อบรมก็ช่วยเขาช่วยเด็กช่วยเด็กช่วยผู้ใหญ่เนี่ยก็ช่วยเนี่เรียกว่าจะต้องทําไปข้างหน้าอย่างไรเราต้องทําต้องทําไปข้างหน้าทตนี่อย่างที่ แ่เรื่องของไปทำถนนนี่เนยใครเป็นคนชายให้ไปทำก็เราเห็นมาแล้วว่าต่อไปปีไหนก็ไม่รู้มันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาเราจะต้องทำาทางลงทางขึ้นทางลงต่างด้านทิศเหนือนั่นก็ทำ ทำไปได้หกเดือนระเบิดระเบิดระเบิดระเบิดระเบิดแต่ก็คุยเห็นคุ ย, คยดินอะไรทำเป็นเป็นถนนพอเก่คาคๆพอเดินได้ไปก่อนนั่นก็เลยทําทำทำท ำ, ทำตอนนั้นก็มีสามเณรบ้างอะไรบ้างเราก็มาบวชภากดูร้อนเราก็ได้โอกาสก็ให้เขาออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแปลน มันอยู่ในจิตใจหมดแล้วมันอยู่ในจิตใจหมดแล้วทรนี้เมื่อก่อนก็ลงไปบินตบาด ท, ทางนั้นบ้างอะไรบ้างอา้าวน้ําท่วมก็จอร์จพันหน้าร้อยยี่ห้ายี่หกตรงนั้นน้ำท่วมยี่ห้า น, นะน้ ำ, น, ำน้ำท่วมใหญ่น้ําท่วมใหญ่ก็ลงไปบิณตบาตลงไปบินตาบาดก็ไม่เป็นไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ไปดูชาวบ้านเขาล่องน้ำไปแค่เอวทางทิศเหนือนั่นแหละไปในตลาดไปเป็นตบาดสายประจำนี่มันมันลำบากมาแล้วมันไม่กลัวหรอกเพราะมันรู้มาก่อนแล้วว่าเป็นอย่างนั้นจำม า, าจนอยู่มาอยู่มาเดินเป็นตบาดวันหนึ่งก็มี งูทักตัวตรองตัวสามตัวงูกระปะมันก็ไม่เคยกัดเราเราก็เกียเกียรมันติ้งเลยในไกลไกลไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาไม่เคยกัดเราก็แผ่เมตตาให้มันจะหลับจะนอน้หวพระตรวจมันก็แผ่เมตตาใ ห, ใ ห, ให้แต่งูกระปะให้อย่างอื่นเราก็ให้เพราะทำอยู่อย่างนั้นกันปรอยู่มาอยู่มา ม, ม, ม, ม, มันชุกชุม้วยก่อมยขโมยมันชุกจุมมันขึ้นทางนี้เดีวไปลงทางโน้นขึ้นทางนี้เดีวไปลงทางโน้นไปเสีหลังกาเห็นที่ในสวนเขาเพื่อนอีกองหนึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วไปเสีหลังกาตอนนั้นพอรอได้หลอยมันนานแล้วเสีหลังกาในสามครั้งแล้วไปเขาก็าพาไปเที่ยวในสวน เราก็ชอบใจที่สวนก็ไปเห็นลันทมดอกสีแดงแดงแจ้ดเลยก็ขอก็มาประมาณจะคืบกว่าๆอ่อป้ า, าแล้วใส่มาในกระเป๋าสบงกีวรเอามาขยายพันธุ์พอขยายพันธุ์ได้ก็ไปปลูกทางโนนปลูกเป็นแถวลันทมทีนี้พอลั่นทมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดี ราคาแพงต้นเท่าขาเท่าขาอ่อนเนี่ยเพราะว่ารถมันขึ้นได้ในทางโน้นเนาะแต่ไม่ได้ลาดยางไม่ได้อะไรเราก็ทํารถขึ้นได้มันก็เลยขึ้นมาขโมยไปเอาไปเป็นรถเลยตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ปิดมันเลยปิดประตูเลยปิดประตูทางนน้นปิดตายไปเลยเพราะว่าเครื่องเสียงมันก็ขโมยไป ตูดลำโพงมันก็ขโมยไปมันกขโมยไปหมดอะไรก็ขโมยหมดเราก็ต้องสู้ด้วยการปิดแค่เลยนี่ปิดแคเลยไม่ต้องไงมันใช้เมื่อก่อนก็ไม่มีใครมาใช้หรอกทีนี้กี่ปีใช้เวลาสามสิบปีสามเดือนยี่สิบหกวันทั้งหมดแล้วก็ พยายามที่จะไปบรรยายน้ำที่นั่นที่นี่ที่โน้นเก็บเก็บเอาไว้ไอที่ใช้ก็ใช้ไปที่เหลือก็เก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเพื่อเอาทํำทางขึ้นด้านโน้นะคือทําถนนให้มันเรียบร้อยมันยังไม่ถึงเวลาพอถึงเวลาขึ้นมาเห็นไหมก็เตรียมพร้อมมาเตรียมพร้อมมาพอถึงเวลาสามสิบกว่าปี พอ เ, เกิดปัญหาขึ้นมาทางนี้เราก็เอาเลยทีนี้แต่ไม่ใช่เอาตอนนั้นเราก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วเตรียมพร้อมอยู่แล้วรู้แล้วว่าปัญหาเกิดแน่ปัญหาเกิดแน่ปัญหามันเกิดแน่แต่เมื่อไหร่ไม่รู้เราก็เลยเตรียมพร้อมได้ทางล น, นฉะนั้นพอถึงเวลาก็จริงๆมันก็มีปัญหาเพราะชาวบ้านเี่มันก็มีความโลภ โรคเพราะอะไรโรคเพราะเงินนั่นแหละมันต้องการเงินงบประมาณทางเทศบาลนั่นแหละพอมันหมดอายุก็เอ า, เอ า, เ, อาเอาไวอนี้เอาไปทำตรงไหนก็ได้ก็เรือนี้แหละเอมาทำหน้าวัดทำตรงไหนก็ได้คนจะเงินเอาไปแบ่งแบ่งกันก็ได้แต่ว่าไอ้มีผลงานออกมาเนี่เห็นไหมเห็นไหมมันก็เลยด้วยอำนาจของความโลภทั้งนั้น เรานี่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นแต่พวกนั้นทำประโยชน์เพื่อตัวกูเราก็เดินทางเดียวกันไม่ได้อย่างนี้ต้องแยกทางกันเดินตลวงพ่อก็เลยตามไยมันแน่นอนเรียบร้อยไปเลยทางนู้นไม่ต้องกลัวไม่กลัวหลวงพ่อไม่กลัวไม่กลัวทางนั้นนี่แหละด้วยอานาจของญาณเรียกว่าญาณ ที่ ร, รู้ไว้ก่อนเนี่ยโดยอํานาจของญาณคือตัวรู้ถ้าเราปฏิบัติธรมแล้วมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาแม้แต่ว่าไอ้เครื่องนําทางว่าจะไปอยู่ที่ไหนไปสร้างวัดที่ไหนไปอะไรที่ตรงไหนเนี่ยก็จะบอกหมดแหละธรรมะเนี่ยก็จะบอกนี่เรียกว่าธรรมะเป็นเครื่องนําทางนําทางทีนี้พระพุทธเจ้านะพระองค์ มียานั้นแก่กล้าจะไปเทศที่ตรงไหนไปโปรโ ด, ดไปโปรโ ด, ดคนเดียวคนเดียววันนี้จะไปโปรโ ด, ดใครพระองค์รูแ้แล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าแม้แต่พระเทวทัตจะกลิ้งหินนี่ไม่ใช่พระองค์ไม่รู้นะพระองค์รู้แล้วว่าจะกลิ้งหินพระองค์ก็ไปให้กลิ้งเลย ให้กลิ้งเลยกลิ้งหินพอกลิ้งหินมาก็เห็นไปกระทบกับหินอีกก้อนหนึ่งถ้ายมไป ด, ดิูอเาคิจจะโกดตอนแรกๆนั่นขึ้นลำบากขึ้นลำบากมากเ้วเดินไกลเหินก็สะเปะสะปะแปทงถั่ปอลวงพอก็สังเกตไปสังเกตไป เราเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วเรื่องของพระเวตวะทัศกับพระพุทธเจ้านะี่ก็รู้มาในบาลีมีเยอะแยะแต่นี้ก็สังเกตไปไหนทำไหนชื่อว่าทำทุกคนก๋าตาทำไหนชื่ออะไรเพราะว่าตอนเดียพระเวตวะทัศแต่ทำร้ายพระพุทธเจ้านะ ก็มีพระดาลีบุตรมีพระอานนท์มีใครต่อใครไปอยู่ระหว่างทางและประจําประจำํำนาแถะประจําตําแหน่งกันอยู่คือจะไม่พระเทวทัตน์นเคลื่นไปบุกรุกแล้วก็ไปปรากพระพุทธเจ้าให้ตกลงมาจากเขาอะไรอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าเราไม่ได้ตายกับเทวทัตหรอกไม่ไม่ได้ตายกับพระเทวทัศน์ ทีนี้ถ้าพระเทวทัศ์ขึ้นไปจริงๆพระหล่านั้นก็จะจับช่วยกันจับแล้วก็มัดโถวไปอะไรอย่างนี้นี่ก็เลยวางเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดออกไปพระปิทูโถงอยู่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุ ด, จ ด, จดถ้าเราไม่เรียนมาเราก็ไม่รู้หรอกเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดทีนี้พอ พระเทวทัตกลิ่งหินมาโดนหินด้วยกันกระทบกันกระหินหนึ่งก็แตกออกไปเห็นก้อนหนึ่งก็ไปกระทบประบาดของพระพุทธเจ้าจนเลือดไหลเลือดไหลก็หมอชีวกนะไปรักษาทีนี้หมอชีวกลูกกองนางอมาปาดี ที่นี่ก็หมอจีวกไปใส่ยาแล้วก็มัดแผลไว้อาจจะใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงอะไรอย่างนี้หมอชีว ก, ก็ลืมทำเมื่อตอนเย็นออไปคิดได้ตอนเช้ารีบขึ้นไปหาพระพุทธเจ้าโดนถามพระพุทธเจ้าพระองค์เจ็บมากไว้ ตามปกตินะถ้าลืมเนึ่ยเจ็บแน่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ได้เจ็บอะไรแต่ท่านก็ไม่ได้บอกหรอกท่านบอกว่าไม่ไม่เจ็บจเจ็บยังไงพระองค์แยกจิตออกจากกายกายเมื่อก็เจ็บปวดอยู่ส่วนกายแต่จิตมันไม่เจ็บการเจ็บการปว่วยการแก่การตายทุกอย่างมันอยู่ที่จิตเนะี่ยมันก้าวไปยึดมั่นถือมัน่นพระองค์จะไปเจ็บยังไง พระอาหารหันต์จะไปเจ็บยังไงเจ็บก็ก็แยกได้ตายก็ก็ยังแยกได้เลยนับประาอะไรก็เรื่องเจ็บเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายก็แยกได้แยกได้แม้กระทั่งว่าตายก็ยังแยกกิจที่ว่างจากตัวตนแยกกายแยกเวทนาแยกจิตให้ก้าวตูวธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติที่ว่างจากรูปตนพระองค์ก็แยกแยกได้หมดดังนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะรู้มากรู้น้อยแต่เรื่องนี้ท่านจงทำได้แยกได้เรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมชาติท่านแยกแยกได้ดะงนั้นพระอรหันต์ไม่ตายไม่ตายอยู่ที่จิตเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติ พระรณบางองค์บางรูปพอถ้านสิ้นชีวิตมันเป็นการไม่ไดควันขึ้นแล้วก็จบเป็นธรรมชาติกระจายไปหมดไม่มีอะไรนี่ <c oughs> ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ในเรื่องการแยกสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่มีสติเห็นกายในกาย มีสติเห็นเวทนาในเวทนามีสติเห็นจิตในจิตมีสติเห็นธรรมในธรรมตัติตัวนั้นเต็มไปด้วยปัญญาแล้วต่อไปว่างปัญญาที่ไม่ถูกยึดมันถือมันว่างจากวมันเองเป็นธรรมชาติเห็นธรรมในธรรมคือเห็นธรรมชาติพ็เห็นธรรมชาติก่อนเห็นว่างนีไม่หมดความเป็นสัตว์เป็นคน มีหนังสือของอุบาติกากีท่านก็เขียนไว้หลายเล่มเหมือนกันอุบาติกากีเขาสวนหลวงครับชาวมัยนูน้นเนี่ยแนี่ก็เหลือแต่ลูกศิษย์หลานศิษย์แล้วท่านใช้ชีวิตก่อนท่านอาจารย์ญญพุทธดัชนีนี่ตอนที่ท่านไปอยู่ที่เขาสวนหลวงับราชบุรีอมันมีวัดร้าวัดล้าง วัดร้างทีนง่นี้ก็ไปต่างป่ากันประยู่ที่วัดล้างนั่นแหละมีลุงมีป้าแค่บหลดานก็คืออุบาธิกากีนั่นแหละเนี่ยลุงชื่อลุงอะไรนะไม่รู้เหลืมชื่อแกก็ไปต่างป่าต่างป่านั่นแหละต่างป่าในวัดนั่นแหละจนอยู่มาอยู่มาก็แก่มากก็เจ็บป่วย แกป่วยที่นี่ก็ไปขึ้นอารมณ์กันเป็นยังไงคุณลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอจุดท้ายท่านก็บอกว่าเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมทุกอย่างเป็นธรรมเป็นธรรมชาติหมดลุงเปลี่ยนเจอคุณลุงเปลี่ยนทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดความเกิดก็เป็นธรรมชาติ เกิดความรู้สึกนั่นแหละความเกิดก็เป็นธรรมชาติพอเห็นตัวเองแก่เก็บก็เป็นธรรมชาติพอจะตายก็เป็นธรรมชาติการก็พูดคำเดียวเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมไม่ต้องรู้มากแต่ปฏิบัติจริงนี่ไม่ต้องรู้มากรู้มากเพื่อที่จะช่วยผู้อื่นแต่ที่เอามาใช้เองมันไม่มากเลยมันไม่มากเลยเดี๋ยามาใช้เองคือการปล่อยวางนั่นแหละ ไม่ต้องไปรู้มากฉะนั้ น, เ ป, นรรเป็นธรรมเป็นธรรมนี่คือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มนันว่างจากตัวตนก็ดูที่ธรรมชาติทุกอย่างมันว่างจากตัวตนทางนั้นที่หลองพ่อบอกว่าไอ้ดูลักษณะลักษณะมันก็เปลี่ยนสีนสันมันก็เปลี่ยนไอ้แกนนำแกนกลางแกอะไรอะรมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนทางนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไป ลักษณะมันเปลี่ยนพอลักษณะมันเปลี่ยนคือใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูเป็นคนรู้เป็นคนเห็นแค่เขาไม่ยึดมั่นถือมัน่นร่างกายหรือสิ่งทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไ ป, ป, น ไ, ปนะไม่คาไปยึดมั่นถือมั่นและจิตเองก็เลิกความยึดมั่นถือมัน่นเพราะจิตเองมันก็เปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ย น, ยนอยู่อย่างนั้นเนีเหมือนกับสิ่งภายนอกนั่นแหละเหมือนกันแหละ เหมือนกันสิ่งภายนอกก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันมันมีแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลิกได้เลยเลิกยึดมั่นถือมั่นใ้เลยนี่เนี่ยันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นฉะนั้นเราศึกษามากรู้มากก็ดีแต่ว่าต้องรู้ในการดับทุกข์ให้ตัวเองอะนั้นจุดยอดรู้การดับทุกข์ให้ตัวเองได้ อสิ hand, is is climate, right ่งที่เราหาหาหาเงินหาทองก้าวเกาะอะไรมามันดับทุกข์ทางเนื้อทางหนังทางนั้นเน่ะแต่ดับทุกข์ทางจิตแต่มันไม่มีเพราะว่าเราพอมีแล้วก็ข้าไปยึดมันถือมั่นหลวงพ่อเงินทองได้มาเท่าไหร่ก็เนนี้เอามาตมตมตมตมเอามาตมภูเขาคนก็ได้ขึ้นมาสะดวกสบายมหาธรรมะไม่ต้อง เกี่ยงว่าสูงว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะมาจริงก็มาเลยแต่ได้คนที่เขาจิงไอ้สูงแค่นี้แต่สิบเท่าเขาก็ไม่กลัวหรอกนี่นั่นคือสันทารสันทาวิริยะกิตตาวิมังสาไงธรามาที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีสี่ข้อนี้ไว้ปฏิบัติถ้าปราศจากสี่ข้อนี้ มันก็มีแต่เรื่องอื่นดังนั้นออขอจบทางนี้